เพราะความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หมวงปโพธิยานกำลังนำเสนอธรรมะที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มภาวนาหรือกลุ่มธรรมะที่จะต้องกระทาบําเพ็ญให้มีให้เป็นขึ้นภายในใจิตใจของเราในข้อต่อไปก็อยากจ ะ, ร, ะรบเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นโบราณบันดิตภาสิตแต่ก็ทรงได้หลักการในพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นศาสนาธรรมในพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกันคือตามปกติแล้วมนุษย์เราจะพยายามเอาชนะกันด้วยวิธีการที่มีอาจญาแล้วพอชนะกันแล้วก็กลายเป็นจองเวนีนจองไผยกันข้อยุติไม่ได้ วิธีการแบบพระพุทธศาสนานั้นก็คือที่เราคุ้นๆให้ชนะความชั่วด้วยความดีชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธอโกเทนะชินโกทังคือชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธมันเป็นวิธีการที่จริงมันธรรมชาตินะนะ ใกล้เราจะต้องการจะล้างกึนที่มันสุ ก, กะปุกเนี่ยถ้าเราโครนมาล้างมันก็แก้ไม่ได้เอาโกรธมาต่อสู้กับโกรธเนี่ยมันแก้ไม่ได้เพาในที่สุดมันก็กลายเป็นความพยาบาทคนแพ้ก็กลายเป็นความพยาบาทคนชนะก็อาจจะพยองําพองขึ้นมาตัลงปัญหามันไม่ยุติ วิธีธรรมชาติก็คือถ้าเราจะล้างพื้นที่สกรปรกก็ต้องใช้น้ำสะอาดมาล้างมันก็ล้างได้เพราะธรรมะจริงๆเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเป็นปฏิปักษ์ธรรมกันคือธรรมะที่ปลายตรงกันข้ามนะฮะอยู่ตรงกันข้ามกันเมื่อควายหนึ่งเกิดควายหนึ่งก็ดับ เพราะในขณะที่เขาเกิดเนี่ยเขาทําลายอีกฝ่ายหนึ่งไปด้วยมันก็แสดงตัวเขาขึ้นมาก็เป็นกฎประธรรมชาติอีกอ่ะขอจำลองคล้ายๆกระแสสงสว่างเกิดเนี่ยความมืดมันก็ดับในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันความเย็นเกิดความร้อนมันก็ดับความร้อนเกิดความเย็นมันก็ดับจะไม่ปรากฏร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันแล้วกดเหล่านี้เราก็มองไปที่อื่นๆได้ทั้งหมด เป็นการต่อสู้กันระหว่างกุศลกับอกุศลแต่ที่เราสู้แล้วมันกลายเป็นการเกาะเวรเนี่ยคือเราใช้วิธีเดียวกันที่เราก็ด่ามาเรากระดาไปปราณมาปราณไปประทุ้ายมาปัจทุศไยไปเบียดเบียนมาเบียดเบียนไปมันก็กลายเป็นกิริยาปฏิกริยาแล้วในที่สุดเนี่ย คนฝ่ายหนึ่งอาจจะถูกทำลายและถูกทำลายทั้งสองฝ่ายแต่วังก็สร้างตราบาปขึ้นกับคนรุ่นหลังคนรุ่นหลังก็ไปล่างผรางเบียดเบียนวัตถุสรายกันต่อไปเพราะันในหลักที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยโกเทนะจิเโกทังพึงชนะความกโกรธด้วยความไม่กโกรธวิธีชนะนั้นก็อาจจะทำได้หลายวิธีอาจจะอดทนอาจจะให้อภัยอาจจะรอคอย อาจจะปล่อยก็ด่าจนเหนื่อยก็ยังนึกถึงมีพระเทรรารูปหนึ่งตุ ว, วันทัศนา์มภาพไปแล้วมันมีชาวบ้านโกรธว่าท่านไปเคียนลูกเขาอะไรเนี่ยนะก็มากล่าวห า, วาเฉยๆนะมาถึงก็ด่าเลยนะมาถึงด่าใหญ่เลยท่านกำลังห่มจีวรเพื่อจะไปรวงชัน ก็ถูกโยงวันนี้ก็ดัาเกี่ยวกที่ก่อนจะลงนะฮะก็ขึ้นมาถึงแก่ก็ต้องถอยกลับมานั่งแกมาถึงก็ด่าเลยนะฮะแล้วก็ไม่โยงฝั่งอธิบายแกก็บอกเอาโยงก็ด่าไปก็แล้วกันวันนี้ก็ไม่ต้องชันข้าวหรอกฉันด่าก็โยงก็พอด่าเอานานนะแต่ผลุดท้ายเนี่ยมันหายโกรธมันเหนื่อย เพราะว่าพระท่านก็นั่งยิ้มเฉยก็นั่งวงังแล้วก็นั่งยิ้มยิ้มก็ปล่อยให้ด่าไปเรื่อยพุทธะท้าในการต่อมาคนนี้ก็กลายเป็นคนข้าวัดความทำจาศีลไปแพ้เพราะอ้คำนี้เรียกแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร์นนะหมายความเรายอมแพ้คือไม่ทำชั่วอย่างที่เขาทำ รู้ก็ทําไม่ดีมาเนี่ยเราก็ชนะด้วยความดีถ้าชนะด้วยความไม่ดีมันก็ชนะไม่ได้เพราะชนะได้บางกายเป็นก่อนเป็นการก่อเวรกอภัยก่ออันตรายชนะคนต่นีด้วยการให้เขาต่อหนีก็เรื่องของเขานั่นก็เป็นบาส่วนตัวของเขาแต่เราให้เนี่ยมันก็เบบุญส่วนตัวของเราแต่ผลจากการให้ไปเกื้อกูลแก่เขาเกื้อกูลระยะไม่ยาวหรอก แต่ผลบุญนำเครือกูลกับเรายาวสมมติวันนี้ยเราทําบุญตักบาตรวันก่อนก็คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านตักบาตรวันละสองที่ยังนึกว่าเออจะเราหายากนะฮะคนต่วนเนี่ยมาตักบาตรเนี่ยอย่างการทําตามเรื่อยถาสติยถาพลังก็ตามตามกําลังความสามารถ เป็นการให้เนี่ยของราคาไม่เท่าไรหรอกแต่ว่าผลทางจิตใจเนี่ยมันมีมากเพราะว่าทานนั้นเป็นฐานบารมีแล้วก็มันลดลากิเลสอะไรลงไปได้เยอะเลยดังนั้นคนอีกพวกหนึ่งเนี่ยท่านสอนไว้ว่าคนพู้จาหลอแหล่เนี่ยถ้าเราเหลอแหล่มันก็หลอแหล่กันหมดแล้วก็เลร้ยวหลกันหมดเล ย, เลหล ย, หเลยให้เราสังเกตว่าคนเราพอรูป เริ่มพูดเรื่องร้ายสาระแล้วมันร้ายสาระไปเต็งอีกนานท่านก็บอกสอนให้กล่าวคันสัตว์คำจริงเป็นวิธีชนะแล้วไม่ก่อเวรชนะแล้วก็ได้กลายเป็นมิตรกันพอเราไม่ได้ทำอะไรให้เกิดความเสียหายแก่ บ, บุคคลอื่นแล้กการตรงเนี้ท่านก็นำมาขยายต่อไป ว่าให้ชนะคนสูงโดยยกมือไหวอันนี้เป็นลักษณะอย่างหนึ่งเป็นลักษณะโดยธรรมชาติต้องพังลองสังเกตดูนะว่าเราเคลื่อนไหวระยาบทของเราเนะี่ยถ้าของอยู่สูงเนี่ยเราต้องยกมือขึ้นแล้วก็ยกสองมือนะจึงจับได้บนคนที่อยู่สูงเหนือเราเนี่ยเราต้องแสดงสมาคารวะตออกขา่า มันก่อนได้อ่านหนังสือของฝรั่งแต่ว่าก็เขียนภาษาไทยนะฮะแล้วก็อยู่เมืองไทยก็เขียนในทํานองคล้ายๆกับอวัตธรรมตัวเองเนี่ยมาเชิดชูแล้วก็ดูหม็นว่าธรรมเราคือคล้ายๆการไหว่การแสดงความเคารพการกราบเนี่ยเป็นการแสดงยอมสยบเป็นการลดศักดิ์ศรีเสียศักดิ์ศรีตัวเองคือก็ไม่เข้าใจกระบวนการทางจิตนะคร แต่การที่เราแสดงความบ่อ น, น้อมเนี่ยมันหมายความมาราลดมานาลงไปเราจะลืมนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่กิเลสตัวใหญ่มาหึกมาเลยนะฮะตัวมานะเนี่ยในมงคลสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยสีห้าข้อแนวตรงเนี้ยนะเช่นการข้อผาสมาคมกับบัณฑิตเราก็ต้องมีจิตใจอ่อนโยนต่อบัณฑิตเดี๋ยวบูชาผู้ควรบูชาจิตใจก็ต้องอ่อนโยนต่อผู้ที่เราบูชา การพ่เห็นสมณะเราก็จิตใจอ่อนโยนต่อสมณะแล้วการอะไรคารวโอเจนิวาโตจะการเคารพการประพฤตอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกิเลสที่อาการหนักมานะ้ความถือตัวอย่างเนี้ยอย่างพวกรานากับพวกราชกุลซาของเนปาลที่เกิดเป็นล่างราชวงกันเนี่ยเยนปาเราศึกษาดีแล้วเป็นความกรตั้ง เป็นความกระด้างคือดูหมิ่นกันไม่ยอมเคารพนับถือกันและในที่สุดมันก็ถึงจุดระเบิดออกมาแล้วก็มีแต่เสียกระเสียไม่มีใครก็ได้นั้นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยโดยปกติแล้วเราก็เป็นผู้เจริญโดยวัยก็มีนะเจริญโดยคุณก็มีเจริญโดยชาติก็มีเราถือว่าเป็นผู้ใหญ่เหนือเราต้องการจะสานาใจท่านก็ต้องให้ความเคารพท่านเคารพนับถือท่าน ล้วถ้าไปกระด้างไปว ด, ดื้อถือดีแล้วก็ในที่สุดเราก็เอาไม่ได้นะแม้แต่วทธาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยรับสั่งแก่พระมาราชานั้นเราจะเห็นว่าก็แสดงนึงความบ่นน้อมในการเชิญชวนให้ออกมากระทำยุติธรรีต่อกันเรียกว่าพระเจ้าพี่นะฮะเจ้าพี่เนี่ย มันเป็นคำที่ให้ความเคารพยกย่องประชนชนภาษาคงจะมากกว่าแต่ก็ไม่มากนะฮะไม่มากนักหรอกแต่การยกย่องอย่างนั้นเน่ะมันเอาชนะใจที่จะคิดทุวร้ายได้สมมติว่าท่านไปเกิดด้วยยุขึ้นมาพูดจาแข็งกร้าวขึ้นมาแล้วประมาประชาชสั่งลุยเนี่ยมันสู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขามากเหลือเกิน เราข้าไปอยู่ก็เพียงสองช้างสองเชือกเท่านั้นเดงก็คนก็ไม่ถึงก็สิบกว่าคนน ะ, นะฮะสิบกว่าคนเลยข้างล่างแปดข้างบนหกก็เียกว่าสิบสี่คนกับสองช่างก็เป็นทึก ป, ปกดูท่ากลางข่าศึกตั้งเป็นแสนแสนะฮะแต่เดียวชนะได้เพราะอะไรเพราะใช้วิธีการที่อ่อนน้อมป่อการต่อไปนั้นท่านบอกว่าชนะคนกล้าโดยให้แตกสามัคคี อันนี้เป็นวิธีการแบบโลกนะฮรบแบบโลกอย่างหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าคนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นผูกวัสดการพรามที่ไปทำกับที่ไพรสลีเนี่ยพวกนี้มีความกร้าหาญมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือต่หากว่าเขายังพนึกกําลังกันดูอย่างนั้นก็ไม่สามารถจะเอาชนะได้เป็นความคิดแบบคดีโลก แต่ว่ามันก็บางครั้งต้องใช้นะฮะมันเหมือนกับที่ฤาษีสอนสุสกร น, นะเขารักรักว้งางชังๆงต่อไปรอบครอบคิดอ่านน่หลานหนาหรืออะไรไม่สู้รู้วิชารู้ษาตัวรอดเป็นยอดดีเนี่ยในกระแสะของโลกเนี่ยบางทีมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทำอย่างนั้นเสมอไปปรการสร้างความแตกแยก ให้ก็เกิดแตกสามัคคีกันเนี่ยมันก็เป็นบาปแต่ทีนี้ถ้าหากว่าคนเหล่านั้นจะเป็นอันตรายจะเป็นอันตรายต่อเราหรือต่อประเทศของเราบางทีมันก็ต้องทำนะเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อรักษาประชาชนส่วนใหญ่เอาไว้เนี่ยบางทีมันก็ต้องทำทีนี้ท่านบอกว่าชนะคนชั้นต่าโดยให้ของเล็กน้อย คือคนที่อ่อนรอยกว่าเราเนี่ยมันก็ยาตการนั่นจะสังเกหนะฮะการสงเคราะห์การอนุนเคราะห์กันการแสดงความมีน้ำใจนะเราจะเห็นว่าเวลาเนี้ยเป็นปัญหาที่น่าห่วงว่าเด็กเราที่ไปศึกษาอยู่ตามโรงเรียนของต่างชาติเนี่ยที่บริหารโดยต่างชาติวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยมันจัด ก, กิจกรรมนำเด็กไปเที่ยวก็ดีนะยังไม่ถึงก็ไปทำลายวันแม่วันพ่อ วันมาคาวิสารค่ะอวิสาขาอาสาหะอะไรต่ไรซึ่งเด็กควรจะเข้าร่วมกิจกรรมทางาศาสนาในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนมันก็จัด ก, กิจกรรมไปแล้วก็มีรางวัลให้แล้วก็ออกคําถามนะฮะแจกแจกขนมแล้วออกคําถามมาแสดงความเห็นต่อนักบวชในทัติของเขาอเด็กแกก็ยอมมาคนเคยเอามาให้นะคําตอบเนี่ยให้มาปึ้งหนึ่งเด็นั่งอ่านดีทั้งนั้นเลยนะ คืออะไรคือว่าเด็กเนี่ ย, ผ, ยผู้เยาว์ผู้เฒ้าเนี่ยเราจะให้แก่ทําความดีเราจะให้แก่เป็นพวกกว็าตามเนี่ ย, ผ, ยผู้เยาว์กับผู้เฒ่านะฮะเราต้องเอาชนะเขาโดยการให้มีาการสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลือเกลือกูลกันเขารู้สึกผูกพันเพราะเขารู้สึกว่าการเขาหาสมาคมกับเราเนี่ยเขาได้จริงๆก็เห็นแกตัวนั่นแหละ แตจ่จะเอาอะไรพุทธิภาะวะเขาก็ขนาดนั้นมันก็ต้องเองอาศัยซึ่งกันและกันทีนี้ในกรณีของคนเสมอกันในด้านความรู้ความคิดความสามารถก็บางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะต่อสู้กันด้วยคมเหตุคมผลต่อสู้กันด้วยวาทะหาขานแต่ว่า มันก็ไม่ควรจะใช้วิธีการในแนวที่เอาชนะข่าขานกันบันก่อนไปบรรยายอบรมครูที่ทางภาคอีสานครูก็ถามว่าการที่จะสร้างเรื่องท้าสุรนารีนี่ท่านมีความผิยดยังไงบอกว่าบ้านเมืองเนี่ยประวัติศาสตร์มันก็เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว มันก็เป็นอย่างนั้นแหละคือใครจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้หรอกแต่การรื้อฟื้นอะไรขึ้นมาบางเรื่องเนี่ยมันกระทบกระเทือนใจแล้วก็แทนที่จะเกิดผลดีเนี่ยคือรายได้ไม่สําคัญดักับชนเสียผลประโยชน์มันเมื่อถึงทางเลือกเนี่ยบางทีเราก็ต้องเลือกเอาที่ได้ผลประโยชน์มากกว่าแล้วยั่งยืนกว่าถาวรกว่า เกิดเมื่อเพื่อนเขาไม่ชอบมันก็ไม่ควรจะทํามีเรื่องเยอะไปนะฮะพวภาพประยนตร์เราอาจจะสร้างเรื่องเขียนเรื่องขึ้นมาโดยแม่กระทบกระเทือนคนอื่นมันก็ทําได้อยู่แล้วเพราะโดยเด็นว่าแนวแนวกระแสะโลกกับแนวกระแสธรรมเนี่ยความคิดบางระดับเนี่ยมันจะต่างกั น, อ ย, นอย่างในกรณีนี้มันสังเกตว่า ที่ตรงกันจริงๆแล้วก็มีอยู่มีอยู่สองข้อคือหมายความมาชนะคนสูงโดยยกมือไหว้เนี่ยคือแสดงความเคารพผ่อนน้อมมีสมาคารวาต่อท่านที่เป็นผู้ใหญ่เหนือเราแล้วกับผู้น้อยก็ให้การสงเคราะหอีกสองวิธีนั่นเป็นวิธีคิดแบบโลกหมายความจําเป็นต้องใช้ไม้บางกันนีเนี่ยเขาก็ใช้แต่อย่าคิดว่าต้องใช้ไปในทุกกรณี ดังนั้นธรรมะปฏิบัติเหล่านี้โดยหลักการจริงๆแล้วเนี่ยควรจะไปมองในระดับของพระพุทธศาสนาหรือพระบาลีพุทธวัจนะในข้อความในแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าในฮิโตประเทศท่านก็แสดงไว้คล้ายๆกัน แต่ว่าเป็นความคิดแบบกระแสโลกความคิดพวกนี้พวกธรรมนิติพวกจานักกยะพวกหิโตประเทศพวกโลกนิตอะไรนะโลกนิตค่อนข้างมาทางาศาสนาสูงเขาบอผู้โลภเนี่ยโลมจิตให้โดยรัพย์นี่วิธีอย่างหนึ่งที่ท่านแนะนไว้ว่าคนที่โลภเนี่ยเราก็ให้เขาให้เขารู้สึกเขาได้ หรือคนที่ต้องการเอาเปรียบเราก็ทำให้เขารู้สึกเขาได้เปรียบก็สามารถผูกมัดจิตใจเขาได้แต่คนโลภนี่ถ้าเราไม่ให้อะไรเลยเนี่ยจะยากนะจะเอาใจเขาไว้ได้ยากมันเป็นการปฏิบัติเหมาะสมแก่สถานะของบุคคลทีนี้คนที่กระด้างหัวดื้อถือ ด, ดีเป็นคนใหญ่คนโตชอบวางอำนาจอะไรต่อไรเน่ ตายเป็นที่พอใจเขาก็คือต้องแสดงความบ่อนน้อมต่อเขานี่เป็นกระแสะคิดแบบพีโตโระเทศนะฮะแล้วก็คนหลงสั่งเร่งรับหรือขัดหรือขัดใจแหา่าหมายความว่าคนที่ไม่เข้าใจเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ย แล้วก็ออกคำสั่งอะไรมามันก็ต้องมีวิธีการที่จะแก้ไขคือเรื่องบางเรื่องมันก็อาจจะรับเพื่อลดความรุนแรงไปนะฮะแต่ว่าไม่ไปทำตามพอจิตใจก็ปกติแล้วเราก็ค่อยมาคุยกันทีนี้บางเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะต้องชี้แจงชี้แจงในขณะนั้น ทีนี้สมับสมัคคนดีเนี่ยนะสมัครคนดีทั้งหลายเนี่ยท่านก็สอนให้ดำรงสักจดจิ์คือแสดงความสุดจริตใจความจริงใ จ, จ, จออกมาให้เป็นที่ประจักษ์นี่ก็นำแนวคิดแต่สองสามแนวมาดูให้ลองสังเกตว่าแนวหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแนวธรรมชาติที่สุดแต่แน่นอนถ้าพูดถึงกระแสโลกในปัจจุบันเนี่ย บางครั้งเขาก็มองเห็นว่าเป็นความอ่อนแอแต่แนวการไปบัติธรรมะบางคราวเนี่ยเราก็ต้องมองว่ามันมีจุดหนึ่งทรงใช้คำเป็นคำรุมรวมมาเมื่อบุคคลเห็นประโยชน์อันไพูบุ์พึงเสียสละประโยชน์พอประมาณเพื่อรักษาประโยชน์ที่ไพ่บุ์เอาไว้ซึ่งก็หมายความาสามารถปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในกรณีต่าง มันไม่ใช่ไปลงตัวอยู่เฉพาะอย่างนี้ตลอดไปนะฮะเพราะว่าไอ้โลกชีวิตสังคมเนี่ยในฐานะที่เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งของโลกคงสังคมของประเทศก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อควา ม, มดํารงอยู่อย่างมันงม่นคงของชาติบ้านเมืองมันมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะต้อง เสียงบ้างมันก็ต้องเสียงคือวันก่อนเนี่ยได้พระเขาโทรศัพท์มาราชาคณะรูปหนึ่งเขาโทรศัพท์มาบอกว่าไปบอกไปชวนพระนะฮะไปชวนพระมาช่วยกันรณนรงค์เพื่อหาหลายเซ็นสัก เสนอเนี่ยนะฮะไใช้ในกรณีต่างๆปรากฏว่าท่านพูดว่าผู้ใหญ่ยังไม่สั่งไม่ทําอลนนี้คือคือเราจะเห็นว่าความคิดเพื่อส่วนรวมเนี่ยมันคับแคบที่จริงโดยภายละหน้าที่ในหน้าที่เหล่านี้มันเรามีมาโดยกาเนิด เช่ว่าภาระหน้าที่ของพุทธบริษั ท, ทจริงๆไม่ใช่จจโจดจงพระนะฮะหน้าที่ของพุทธบริษัทเนี่ยเราที่พระเจ้าทรงเน้นเนี่ยเป็นการเน้นที่หน้าที่พุทธบริษัทคือจะต้องศึกษาพระสัทธรรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจจะต้องปฏิบัติตามหลักของพระสัทธธรรมนั้นให้ได้มากน้อยว่าไม่รู้แหละ าการศึกษาการบัตรเนี่ยก็คือการต่อสู้กับความไม่รู้ภายใ น, นยกับความโลคปวดหลงภายในใจของเราโดยเฉพาะในช่วงของการปฏิบัติเนี่ยผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเนี่ยคือต้องลดโลคปวดหลงถ้าโรคปวดหลงไม่ล ด, ดก็ยังถือว่าไม่เป็นการปฏิบัติแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็ช่วยกันเผยแผ่ดูแลรักษาช่วยช่วย ช่วการเผยแผ่ศาสนาให้ปรากฏออกไปในที่ต่างๆแล้วก็ดูแลปกปักรักษาศาสนาเป็นหน้าที่โดยกําเนิดเลยมันไม่จําเป็นอย่างต่างๆแต่พอเราคิดแบบคับแคบขึ้นมาก็คิดรอตั้งความคิดอย่างนี้มันเหมือนกระตะปูนะฮะเราจะเห็นว่ามันแหลมเปล่าๆแต่ว่าตอกไม่เข้านะฮะจะต้องอาศัยค้อน ต้องอาศัยคนต้องอาศัยค้อนจึงตอกตะปูเข้าไปได้ทำไมอย่างนั้นตะปูเหล่านั้นก็กลายเป็นสนิมเพราะการเอาชนะบางอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันตัวภายในในตัวยุ่งที่สุดเลยตัวภาย น, นอกไม่ค่อยอะไรอะไรหรอกคือทำยังไงจะชนะใจเราเองได้แนวของพระพุทธเจ้าที่ทรงยกที่ยกมาสี่ข้อนะอโกเทนะชินีโกทงัง ชนะความโกรธหรือคนโกรธด้วยความไม่โกรธไม่แค่ชนะเขาแต่ชนะเราชนะใจของเราเองแล้วชนะความชั่วคนชั่วด้วยความดีเราไม่ชั่วตอบแต่ก็ชั่วมาเราก็ดีไปชนะคนที่จะหนีเห็นแก่ตัวจัดไม่ยอมเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ยอมสงเคราะห์โนเคราะห์แก่ใครนั่นเป็นบาปส่วนตัวเขา เราก็เอาชนะเขาด้วยการให้ด้วยการสงเคราะห์นกคราะเขาโดยการแบ่งปันให้แกเขาแล้วก็ไปเจอกับคนที่พูดจาหล่อแหล่เลวไหลไร้สาระเราจะไปไหลาตามเขาไม่ได้เพระพฤติกรรมเช่นนั้นไม่ใช่เป็นพฤติกรรมที่ดีเราก็เอาชนะด้วยการพูดคําที่เป็นคําสัจคาจริงตกลงว่ามันชนะใจ ชนะกิเลสภายในใจเพือง่ายอย่างั้น่ะชนะกิเลสภายในใจเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราก็จะชนะคนอื่นได้ถ้าเราชนะกิเลสภายในใจได้ไม่ว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ตามเพราะว่าธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องมีสติสัมปชัญญะเข้ากำกำับคือไม่ใช่ว่าถือว่าเป็นธรรมะแล้วก็ใช้ไปเลย แต่จริงๆอาการที่ทรงสอนอยู่เสมอเราพบบ่อยเนี่ยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทําปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรร ม, รมเนี่ยเป็นหลักการสําคัญในการที่จะดํารงตนอยู่บนกระแสของพระสัธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ ด, ดีแล้วท่างฝังทั้งหลแต่รมปปฏิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบูรด้วย ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี